แต่ที่แนะนำตักเตือนนี้ก็เพื่อส่งเสริมกำลังศรัท ธ, ธากำลังใจให้เข้มแข็งขึ้นเท่านั้นด อ, อกธรรมดาจิตใจนี่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการส่งเสริมบ้างไม่มีผู้สนับสนุนบ้างลำพังแต่ความคิดนึกรู้สึกของตัวผู้เดียว มันไม่เข้มแข็งพอก็มีเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นเข้าไปมันก็ทำให้จิตใจรื่นเริงบันเทังขึ้นหรือมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นขั่วเดิมในอันที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่เหมือนอย่างคําสอนของรัธิอื่นใดศาสนาอื่นใดคําสอนของพระองค์สอนให้ผู้ก็พฤ่งปฏิบัติตามละ ก, กิเลสไปโดยลําดับจนหมดสิ้นออศาสนาอื่นไม่มีที่จะสอนให้คนละ ก, กิเลสให้หมดสิ้นไปและก็ไม่มีใครจะไปละ ก, กิเลสให้หมดสิ้นไป ในรัที่อื่นศาถนาอื่นน ะ, ะเบงั้นมีแต่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแล้วทาอาศวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้จริงจริงดังในครั้งพุทธการนั่นพระอรหันต์มีอยู่มากมาย กากองท่านผู้ทําอาสวัคคีเดให้หมดสิ้นไปโดยการทั้งปวงมีอยู่มากมายท่านานั้นบวชเข้ามาแล้วท่านทําอาสวัคคีเดให้หมดสิ้นไปแล้วทั้งหมดอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวิตออันนั้นแหละเป็นสักขีพยานนะว่าในพุทธศาสนาเนี่ยข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ ทำบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้สิ้นจากอาทวะกิเลสป่าประธรรมได้จริงๆถ้าหากว่าละไม่ได้หมดก็เรียกว่าละได้เป็นบางส่วนละได้โดยเอกเทศอย่างนี้นะคำว่าละได้โดยเอกเทศหมายเอาพระโสดาบัน พระสกิภาคามีพระอนาคามีนี่ท่านเหล่านี้ท่านละกิเลสขาดจากขันดาลโดยเอกเทศไม่ยังไม่สิ้นเชิงมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นท่านละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงมันมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การละกิเลสตัณหาในพุทธศาสนานี่ ไอ้ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติไปละเว้นสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงห้ามท่านให้ได้จริงๆอย่างนี้นะแล้วทำตามที่ข้อปฏิบัติที่พระองค์เจ้าทรงเนะนนำสั่งสอนไว้ให้เต็มความสามารถ นี่หนทางแห่งพระโสดาบันท่านผู้จะได้เป็นพระโสดาบันท่านก็รักษาสินห้านี่ให้บริสุทธิ์เลยพูดกันอย่างเปิดอกท่านก็ตั้งเจตนาวิรัติเว้นกรรมทั่วห้าประการนี้ให้ได้ก่อนเป็นปฐมมาเลิกทีเดียว ต่อจากนั้นท่านก็ทําบุญทําทานไปฟังธรรมไปภาวนาไปไม่ท้อไม่ถอยถ้าคุณธรรมที่ท่านบําเพ็ญนั้นมันถึงพร้อมเมื่อใดท่านก็ได้บรรลุโสดาบันเมื่อนั้นกิเลสหรือว่าสังโยชน์ที่พระโสดาบันท่านละก็มีอยู่สามอย่าง สักกายะทิฐิวิจิกิจฉาศีลปัสตปรามาัดในความที่เห็นว่าพระางกายหรือขันห้านี่เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขานั่นดับไปจากขิตใจของมัทโธดาบันแล้วความเห็นที่ว่าร่างกายหรือว่าขันห่านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นได้ธาตุสี่ขันห้าประชุมกันอยู่เท่านั้น หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงไปใครจะบังคับมันให้มันยังย่งยืนตลอดไปก็ไม่ได้นี่แหละความเห็นของพระโถดาบันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับนะวันนี้นะอาริยมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่เสื่อมไม่เหมือนอย่างความเห็นของคนสามัญธรรมดา เมื่อเห็นแล้วเวลานี่เห็นนะขันห้าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆแต่ต่อไปมันมันลืมเสียก็มีอย่างนี้นะมันเผลอไปหลงยึดว่าปมีตัวมี ต, มตนมีเรามีเขาเอาใครด่ามา ก, ก็โกรธใครทำหนิ้ตีเตียนมา ก, ก็โกรธเอาอย่างนี้นะนี่เลยว่ามันเผลอไปทำระลึกได้ว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ด่าเรานะ เขาด่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมต่างหากวะธาตุสี่ขันห้ า, าไม่ใช่ของเราแล้วเอ้าแเราจะไปโกรธทําไมเมื่อมันเมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วเขาด่ามามันก็ถูกขันห้านี่ต่างหากไม่ใช่ถูกเราเราไม่มีอยู่ในขนนันห้านี้เมื่อมันรู้ได้อย่างนี้มันรู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่โกรธออย่างนี้แหละไม่เสียใจและไม่วิตกวิจารณ์ว่าเขาดูถูก เราดูหมิ่นเราอย่างนู่นอย่างนี้ไม่ว่าไม่เอานี่แหละคุณธรรมที่จะดําเนินไปสู่อริยมรรคอริยผลนะขอให้พากันบําเพ็ญไปอย่าไปทอ้อถอยนอกจากละความเห็นว่าขันหา้าเป็นตัวเป็นตนไป็เราเป็นเนขาได้แล้วก็ละความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษ ละความสงสัยในพระพุทธธรรมประสงว่ามีจริงหรือไม่หนออะไรหมูนี้นะบาปบุญคุณโทดนรกสวรรค์โลกหน้ามีจริงหรือไม่หนอหมูนี้เราต้องคิจารณาให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองตามคําสอนของพระเจ้าที่ทรงตรัสว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีอนรกมีสวรรค์มีปานิพานมี ข้อปฏิบัติให้ถึงสวรรค์ให้ถึงมริคานมีจริงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างนี้แล้วกดทรงแสดงไว้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ด้วยมันเบ่งันเพราเราต้องพิจารณาให้มันอย่าให้ความสงสัยดังกล่าวมานี้เกิดขึ้นในใจเลยให้เห็นแจ้งประจักยกัญญาของตนเองว่าบาปนั้นมีจริงบุญมีจริงอย่างนี้แล้วก็ มียังไงเนี่ยก็ถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้ อ, อ, อย่างนี้แหละมูลเหตุของบาปมาจากอะไรมูลเหตุของบุญมาจากอะไรนี่เราต้องซักซ้อมตัวเองเข้าไปเออมื่อตนเองรู้มันก็ตอบตัวเองได้ออมันก็สิ้นสงสัยไปเไปน่งั้นมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า เมื่อมักอันมีองค์แปดประการนี้ยังมีอยู่ตราบใดและยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมักอันมีองค์แปดประการนี้อยู่ตราบใดนี้โลกนี้ไม่เปล่าจากพระอระหันต์ออพระองค์เจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ศีลสมาธิปัญญาหรือ ม, มักมีองค์แปดก็ยังมีอยู่ยังมีผู้ศึกษาเรียนจดจาและลงมือประพฤติปฏิบัติตามอยู่ ทั้งคารืหักทั้งนักบวชเราจะสงสัยอะไรบ่อนีอันเนี้ยเพราะทางเป็พนิยานนะ น, นี่แหละก็ความประพฤติชอบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตามมัชอันมีองค์แปดประการนั้นเราก็มาคำนึงถึงตัวของเราเองว่าเราได้ปฏิบัติตามองค์มัชแปดประการนั้นอยู่หรือว่าไง หรือมันขาดองค์ไหนบ้างเช่นสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีวอย่างนี้นะสัมมาวาจาการกล่าววาจ่าของเราไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมหรือสัมมากรรมโตการทําการงานการทํามาหาเลี้ยงชีพอะผิดศีลไหมผิดธรรมไหมต้องโกรธตัว สัมมาอาชีวการเลี้ยงชีวิตของเราเป็นยังไงขัดต่อสินธรรมไหมหรือไม่ขัดเมื่อนี้เราต้องตรวจ ด, ดูต้องพิจารณาดูเช่นบางคนน ะ, ะเลี้ยงหมูขายเขาไปฆ่าอย่างนี้ก็ผิดธรรมนะเนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายเขาไปฆ่าก็ผิดธรรม แต่ท่านไม่ถือว่าผิดศีลผิดธรรมผิดธรรมของอุบาสกวาสิกาอ่อย่างนี้แหละการค้าขายน้ำเมาขายยาพิษยาเบื่อขายอาวุธไออย่างนี้ก็ผิดธรรมขายมนุษย์ก็ผิดธรรมมันเป็นอย่างนั้นเรารู้แล้วเรา ถ้าว่าอาชีพของเราไม่มีอย่างนั้นก็ดีใจหรือว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้ก็เราจะไปเอาของนั้นมาค้าขายซะสินค้าอื่นที่ไม่มีโทษนั้นมีอยู่ทมไปอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเราเดินตามทางสามเส้นเนี่ยเป็นทางออกจากทุกข์ได้นั่นเอง แล้วสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิความเพียรชอบทั้งสติไว้ชอบตั้งใจไว้ชอบ mm. อะไรโมเนี่ยเรามีไหมความเพียรเพียรไหวพระนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นเราได้ภาคเพียรหรือเปล่าอือันนี้ไม่ไม่ยากอะไรละมันรู้ตัวเองได้เลยถ้าว่า เมื่อมันก็จึงทำเมื่อเกียดคร้านแล้วก็ไม่ทำอันนี้เรียก ว, ว่าไม่มีความเพียรคำว่ามีความเพียร น, นั้นถ้าไม่เจ็บป่วยจริงจังแล้วก็ไม่ไม่ถอยอการไหวพระนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ทำเล็ดเหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยอดเอาทนเอาได้เท่าไรก็เอาภาคเพียรพยายามไป นี่เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียร น, นะเพียรละอากุศลออกจากจิตใจนี่นะเพียรบำเพ็ญกุศลให้เกิดมีขึ้นในใจมเมื่อกุศลเกิดขึ้นเราก็เพียรรักษาไว้อย่าให้มันเสือ่อมเป็นาบบงั้นอ้าวสัมมาสติเราตั้งสติชอบอยู่หรือไม่ตั้งอย่างไรตั้งสติชอบ สติขั้นต้นนั่นได้แก่สติสมัชย์เนี่ยความะระลึกได้ก่อนทาก่อนพูดความรู้ตัวในเวลาทำเวลาพูดรู้ว่าไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็รู้นี่เรียกว่ามีสติขั้นต้นขั้นสูงต่อไปกว่านั้นได้แก่สติเป็นไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ มีสติระลึกเข้ามาสู่กายนี้เสมอเสมอว่ากายนี้ระลึกเข้ามาให้เห็นสักแต่ว่ากายเห็นสักแต่ว่าสมมุติมันยัดว่าเราว่าเขาว่าผมว่าคนว่าเล็บว่าฟันว่านั่งว่าเนื้ออะไรมั้ยสมมุติมันยัดว่าเอาเฉยๆแต่ถ้าว่าตามความเป็นจริงแล้วไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนี้เลย มีแต่สภา ว, าาภาวาธรรมเท่านั้นแม้ทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วก็เพ่งดูเวทนาเหล่านี้ก็สักแต่ว่าเวทน า, าไม่ใช่ตัวตนอะไรเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็อย่าไปเสียใจอย่าไปเศร้าโศก ก็ก็ท um ุกขเวทนาก็ไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเตือนใจอย่างนั้นต้องกาหนดรู้อย่างนั้นเมื่อมันเกิดสุขเวทนาขึ้นก็กาหนดรู้เท่าว่าสุขขเวทนาก็ไม่ใช่ของเราและก็ไม่เที่ยงด้วยเมื่อมันมีเกิดขึ้นได้มันก็มีเสื่อมได้อย่างนั้นเลยมันเป็นอุเบกขาเวทนาขึ้นมาก็รู้เท่าอุเบกขาความวางเฉย ก็ไม่ใช่ของเราอีกเช่นเดียวกัน <c oughs> แม้แต่ดวงจิตพระพุทธเจ้ายัางสอนว่าให้พี่นาะเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ <c oughs> มันเป็นงั้นก็ <c oughs> มันจะเป็นตตนยังไงลนะ่ะดวงจิตความรู้สึกนึกคิดอันนี้นะมันก็เป็นธรรมธาตุรู้เท่า <c oughs> นั้นเอง <c oughs> เป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุรู้เท่า <c oughs> นั้นเลย แม้ธรรมารมที่เกิดขึ้นกับดวงจิตนี่ก็ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลยเอออย่างนี้เมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้นะก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพจิตก็รวมลงเป็นสมาธิเอออย่างนี้เหละยเนี่ยว่าเป็นสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิปัญญาณเห็นชอบเห็นทุกข์เห็นเดชให้ทุกเกิดเห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี่ความดำริชอบดำริที่จะถอนทนออกจากความยินดียินร้ายต่างๆนี่พยายามถอนจิตใจพยายามรักษาใจอย่าให้มันเกิดความยินดียินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเนี่ยพยายามควบคุมรักษาจิตอย่าให้มันคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่าให้มันผูกใจเจ็บกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เนี่ยเราพยายามดําเนินตามมรรคอันมีองค์แปดประการอย่างนี้นะไปเรื่อยๆต้องอย่าไปนึกว่าโอ้ไม่ใช่หนะ้าที่ของเราเราะมรรคมีองค์แปดประการเป็นเรื่องของพระไม่ใช่นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่จะต้องปฏิบัติตามสําหรับผู้เบื่อทกภายในวัฏฏสงสารแล้วก็ต้อง บันพปฏิบัติตามมักมีจงใจประการนี่แหละพยายามไม่เช่นนั้นเราก็พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารน้ไปไม่ได้ดังนั้นเท่าที่บรรยายมาก็สมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็นั่งหันหน้าไปทางโซนออกแล้วนั่งสมาธิสะกดตาม ระเบียบที่เคยทำกันมา